พระอะไรก็สู้พระข้างในไม่ได้นะพระโสดาพระสกทาคาพระนาคาพระอระหันต์พระจริงๆนอกนั้นก็ของข้างนอกเอาไว้เป็นเครื่องระลึกไม่ทําความชั่วทําความดีครูบาอาจารย์ท่านทําไว้เป็นอุบายให้ถือศีลไม่งั้พระไม่ขลังต้องถือศีล บางองก็ให้เอาไว้ภาวนาถือแล้วภาวนาแล้วถือแบบเครื่องรางของขลังก็ขลังเหมือนกันนะแต่มันไปติดคําว่าไม่เกินกรรมโอ้ถ้าไม่มีกรรมก็คงไม่ตายห่งอยู่ล้วเพราะกรรมให้ผลยังไงก็ตายมันเลยไม่แน่นอนมันไม่เหมือนธรรมะของพระพุทธเจ้านะแน่นอน ถ้าเราทําเหตุของทุกยังไงก็ทุกถ้าเราทําเหตุศีลสมาธิปัญญายังไงก็ผลทุกมีเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้ทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วฝ่ายวนเวียนอยู่ในวัฏฏะมีตัณหาฝ่ายจะออกจากวัฏฏะก็คือเจริญอริยมรรคยุงแปดเบื้องต้นยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคแท้ๆเรียกว่าบุพผะภ า, ากภามรเบื้องต้นแห่งมรรคอย่างที่เราตั้งอกตั้งใจ รักษาศีลฝึกจิตฝึกใจก็เจริญปัญญาถึงจุดหนึ่งอริยมรรคก็เกิดเวลาอาริยมรรคเกิดนัเกิดในขณะจิตเดียวตรงที่พระกุณฑญยะได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าท่านเป็นสาวกองค์แรกที่ได้อริยมรรคในศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้คนแรกที่ได้อริยมรรค ในศาสนานี้ก็คือตัวพระพุทธเจ้าเองพระองค์เองสาวก ค, คนแรกก็ภาคุลธัญญาเมื่อเช้าหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังแล้วว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรวันนี้เป็นวันแสดงธรรมจักกับภวตนะสูตรธรรมจักเนเริ่มต้นว่าอย่าทำสิ่งที่ผิดสองอย่างอย่างที่หนึ่งการปล่อยจิตปล่อยใจนะตามกิเลสไปเพลิดเลิ หลงโลกโลกก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสทางร่างกายก็หลงคิดเรื่องโลกโลกเรียกว่ากามธรรมกามทางใจกามธรรมอันนี้เรียกว่ากามสุขาริการิโยก ใ, ใจที่หมกมุ่นในกามคือหมกมุ่นสนใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในเรื่องราวที่สนุกสนานเลยเนะี่ยใจอย่างนี้ไม่มีคุณภาพ ที่จะย้อนมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจมันเพลินออกไปมันเพลินไปในรูปมันไม่สนใจตาเพลินไปในเสียงไม่สนใจหูเพลินไปในกลิ่นไม่สนใจจมูกเพลินไปในรสไม่สนใจลิ้นเพลินไปในผดทพะสิ่งที่มากระทบร่างกายไม่สนใจร่างกายชิดเพลิดเพลินสนุกสนานในธรรมารมณ์ไม่สนใจใจ ที่เป็นคนรู้ธรรมอารมณ์งินถ้าเราหลงในด้านการสุขาริกานุโยคใจมันจะไม่ย้อนเข้ามาที่กายที่ใจมันจะออกนอกไปออกไปหารูปหาเสียงหาติดหารสหาผลตาผ้าหาธรรมอารมณ์ไม่สามารถย้อนมารู้รูปนามกายใจได้นี่พวกอีกอันหนึ่งที่ท่านห้ามเรียกว่าอัตกิลมัฏฐานุโยค พวกนี้ย้อนมาที่กายที่ใจแต่ไม่ได้ย้อนมารู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นกับย้อนมาบังคับกายย้อนมาบังคับใจคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่ก็บังคับกายบังคับใจทุกทีไปเมื่อเราไปบังคับกายบังคับใจร่างกายก็ผิดความจริงจิตใจก็ผิดความจริงอย่างเคยเดินชอปปิ้งนะหลายชั่วโมงเดินได้ เดินจงกรมเดินไม่ได้เดินได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวหมดเรย่อหมดแรงยออไปทั้งตัวก็น่ายอกนะมันเดินผิดธรรมชาติเดินย่องย่อ ง, องเหมือนนกกระยางรู้จักนกกระยางไหมย่องย่องย่องหรื <c oughs> <c oughs> อหายใจหายใจมาตั้งแต่เกิดหายใจได้พอมาลงมือปฏิบัติบังคับลมหายใจมันเครียดไปหมดเลยอนอดัด งี่นคนหลงโลกนะมันก็สุดโตมาข้างหนึ่งให้คนรักดีก็สุดโตมาอีกข้างหนึ่งข้างบังคับตัวเองถ้าบังคับตัวเองแล้วก็ไม่เห็นความจริงของรูปนามไม่เห็นความจริงของกาของใจอย่างใจเนี่ยธรรมชาติของใจมันคิดนึกปรุงแต่งตลอดเวลาเดี๋ยวปรุงสุขเดี๋ยวปรุงทุกข์เดี๋ยวปรุงดีเดี๋ยวปรุงชั่วถเราไปบังคับให้มันนิ่งน่งมันก็ปรุงนิ่งขึ้นมาปรุงว่างขึ้นมา นั่มันจะไปเห็นใจรักษ์ได้ยังไงงั้นสองอย่างนี้ที่ท่านห้ามห้ามแล้วท่านให้ทำทำอะไรทำมริยะมากมีองแปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญา น, นั่นเองสมาธิสัมมาสังกัปปะอันนี้เป็นส่วนของปัญญาสมาอะไรวาจา สัมมากรรมตตะสัมมาอาชีวะนี่ส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินี่ส่วนของสมาธิส่วนที่ฝึกจิตฝึกใจนั่นที่เราต้องหัดเจริญให้ดีนะั่นก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาที่หลวงพ่อสอนทุกวันทุกวันสิ่งที่ไม่เอาก็คือความสุดโต่งสองด้านสิ่งที่จะต้องฝึกฝนขึ้นมา นะคือเรื่องของศีลสมาธิปัญญางั้นเดียไปคิดว่าจะปฏิบัติธ ร, รนะรู้สึกตัวเฉยๆก็พอแล้วไม่พอหรอกความชั่วก็ต้องละสิ่งที่ผิดก็ต้องละความดีก็ต้องเจริญให้ถึงพร้อมนี่พระกนทัญญาบารมีท่านเต็มแนละ้วสร้างมาบารมีมาแสนมหากรับะ ก็จะได้มาเป็นสาวโองค์แรกบารมีเต็มองค์อื่นก็บารมีเต็มเหมือนกันแต่ไม่เท่าพระกุณฑัญญะไม่ได้เป็นพระเอตทักคะท่านได้ฟังธรรมะเท่านี้ท่านก็บรรลุธรรมแล้วเนี่ยพระกุณัญญะได้ฟังอย่างนี้นะได้โสดาบันได้พระโสดาบันเพราะท่านรู้แล้วว่าจริงๆแล้วไม่มีตัวตน ฝีมือระดับนั้นบารมีท่านเต็มแล้วพวกเราบารมีไม่เต็มยังอ่อนเราฟังธรรมะอันเดียวกันจากที่ท่านได้ฟังท่านได้โสดาเราไม่ได้ท่านฟังทีเดียวได้เราฟังร้อยทียังไม่ได้เลยบารมีมันไม่เท่ากันเราสะสมนะเดี๋ยวพระศีลต้องรักษาจิตต้องฝึกปัญญาต้องหัดเจริญแยกรูปนามแล้วดูรูปนามแสดงใจลัก เราสะสมอย่างนี้เรื่อยไปความดีเท่าไหร่มีโอกาสทําก็ทำนะํำพลังของจิตนจะแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆจิตที่คนที่มันมีบา ร, รมีนะบา ร, รมีเต็มเลยนอะดูง่ายนี่จะมีพลังถ้าพวกเรารู้สึกตัวไม่บางวันเราพ่อแม่เต็มทีนี่พวกไม่มีบา ร, รมีนะแล้วทดรถถุยมาหาหลวงพ่อก็อยากได้กําลังใจทําไมไม่ภาวนาชอบขอโน่นขอนี่ไม่ใช่ลูกศิษย์ชูชกนะ ต้องสู้เอาเองนะมี่จะมาขอโน่นขอนี่ขอพรบางคนก็มาขอพลังทำไมไม่ทำเอาเองก็สร้างด้วยตัวเองนะจะไม่งั้นไปไปไม่รอดหรอกหรือบางคนแยกก่กว่านั้นนะขอให้สอนขอนให้ดูสภาวะให้ถ้าสอนให้ดูสภาวะเองเนี่ยใช้ได้นะแต่ไปดูสภาวะแทนเขานี้ใช้ไม่ได้เดี๋ยวไหลทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เลยเพมภาวนาไม่ขึ้นหรอกขี้เกียจแล้วก็อ่อนแอ ต้องหัดดูเองงันบารมีเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นมาลองไปดูบารมีมีสิบข้อค่อยสะสมไปไม่เคยถือสีลก็ถือซะบ้างอย่างอาฆาตคนก็อาภาัยซะบ้างนี่ก็ทานแลบารมีนะสารพัดเลยนึกขำมะบารมีมีไหมวันๆหนึงคิดจะหาอะไรที่เพลิดเพลินพอใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเพลิอนอย่างเดียวเคยคิดจะงดจะเว้นบ้างไหม ถ้าคิดงดคิดเว้นบ้างมันก็ได้เนกขัมมะบา ร, รมีแรกๆ ก, ก็ได้น้อยๆหน่อยอ่อนๆถ้าบา ร, รมีแต่ละตัวนะถึงเต็มที่ขึ้นมาเนี่ยมันจะถึงจุดที่ว่ายอมตายเพื่อธรรมะอันนี้นเป็นบา ร, รมีที่เต็มแล้วเต็มระดับที่จะข้ามโลกเลยนะแต่ของเราถ้าขั้นโสดานไม่ต้องไม่ถึงขนาดนั้นนะบา ร, รมีไม่ได้ใช้มากขนาดนั้นแต่ว่าต้องฝึกต้องสะสมเอานะเวลาที่ สะสมมันเต็มที่ขึ้นมานตัดจิตจะเข้ากระบวนการอันนึ่งที่ในธรรมจักพูดถึงว่าจักขุงอุทธปาธิดวงตาเกิดขึ้นดวงตานี้ไม่ใช่ตาเนื้อเป็นตาธรรมดวงตาเห็นธรรมเห็นอะไระก็เห็นสภาวะธรรมของรูปนามตามความเป็นจริงแล้วมีญาณอุทปาธิมี ความอย่างรู้อย่างรู้อะไรอย่างรู้เห็นมันมามันไปนะเห็นสภาวะทั้งหลายมันมีเหตุมันก็เกิดมันไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดเกิดมาแล้วหมดเหตุมันก็หายไปนะอย่างรู้นะมีปัญญานีกปัญญาอุทภาปาทิปัญญาเกิดขึ้นอันนี้คือวิปัสสนาปัญญาจะเห็นไตรลักษณ์รู้เลยสภาวะทั้งหลายนะี่ ซึ่งมันมีเหตุนะมันเกิดขึ้นมาแล้วตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ทั้งหมดเลยนะวิชาอุทปฏ ธ, ธิวิชามเป็นปัญญาชั้นเลิกเป็นปัญญาที่รู้ความจริงว่าสิ่งนี้คือตัวทุกสิ่งนี้ไม่ใช่ตัวเรานะตัวญานะก็เป็นปัญญาตัวปัญญาก็เป็นปัญญานะตัววิชาก็เป็นปัญญานะทำไมท่านพูดทั้งสามตัวเรียงกันนะ ในปริยัติก็มีอธิบายนะอยู่ในอัตถกถานี่สำนวนที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังเนะนี่ยสำนวนของหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อพุทธท่านสอนไวนะ้หลพ่อเห็นว่าเออเขน่าฟังดีนะมันเป็นลีลาของจิตใจมันเห็นได้ประณีตลึกซึ้งขึ้นลึกซึ้งขึ้นพอวิชาเกิดสิ่งที่ตามมาเขาเรียกว่าอาโลกโกุทธปฏธิแสงสว่างเกิด ถ้าเราไม่ได้พรวนาเราก็คิดว่าเป็นคำเปรียบเทียบบอกแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มนะีก็เป็นเรื่องจริงแต่ความจริงนล้ันสว่างจริงๆนะเวลาที่อริยมรรคเกิดเนะี่ยบางคนนะจิตเข้าอารูปฌานเลยพระาทิตยาจันทร์ดับหมดเลยเหลือแต่แสงสว่างของปัญญาสว่างพลงขึ้นมานะสว่างพลงขึ้นมาตอนที่มันล้างกิเลสสิ่งเหล่านี้มีอยู่นะ อยู่ที่เราจะทำเอาได้แค่ไหนถ้าไม่สนใจไม่ปฏิบัติมันก็ไม่ได้ผลอะไรหรอกธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ฝึกไปแล้วเราเปลี่ยนตัวเองได้ในเวลาอันรวดเร็วเราจะรักพระพุทธเจ้ามากเลยนะเราเคารพพระธรรมเราเคารพพระสงฆ์ใจมันจะเคารพจะอ่อนใจมันจะไม่กระด้าง พวกเรายัางมีใจกระด้างกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไหมดูออกไหมมีเป็นคราวๆ ร, รู้สึกไหมตอนไหนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยสนองกิเลสเรานะเราก็พอใจยอมรับตอนไหนขัดกับกิเลสเรานะเราเลือกกิเลสไว้ก่อนเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาไวท้ทีหลังใจมันกระด้างใจมันไม่ได้อ่อนจริงอะศรัทธาของเรายัางกลับกรอกไปมางั้นเรายัางมีความเสี่ยง ที่จะไปร่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยังมีอยู่คอยสัมรวมคอยระวังไว้คอยระวังใครสัมรวมพยายามฝึกจิตฝึกใจให้มันดีงามขึ้นไปได้ได้อะไรที่ท่านให้ละก็ละเสียละบาปอากุศลทั้งหลายด้วยศีลนะอะไรที่ท่านให้เจริญเจริญสมาธิและปัญญาก็สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมา แล้วถ้าลงมือเจริญปัญญาเนี่ยอะไรที่ต้องละการสุขาริการนุโยกกับอัตตะกิลมฐานนุโยกต้องละอะไรที่ให้เจริญเจริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิที่จิตตั้งมั่นนะต้องฝึกเบื้องต้นก็นแยกธาตุแยกขันให้ได้แยกธาตุแยกขันได้แล้วก็ดูธาตุขันทางานเห็นธาตุขันทางานนะก็เห็นใจลักเห็นว่าธาตุขันทั้งหลาย มีเหตุก็เกิดมมนเหตุก็ดับบังคับไม่ได้เห็นไย ร, รักียมแจ้งแล้จิตจะวางจิตจะปล่อยวางวางอะไรวางขันนั่นแหละแต่ทีแรกยังไม่วางขันโสดาบัติมักยังไม่วางขันแค่วางความเห็นผิดเกี่ยวกับขันทำลายความเห็นผิดลงไปเมื่อพระโสดาบันยังไม่ได้ละกิเลสหยาบหยับอะไรนะแต่ละตัวที่ร้ายที่สุดเลยคือความเห็นผิด พระเจ้าท่านถึงสอนว่านะท่านไม่เห็นอะไรมีโทษเท่ากับมิจฉาทิฐิเลยงั้นเป็นพระโสดาบันเนีได้สมาทิฏิได้ของดีได้ของพิเศษท่านบอกว่าดีกว่าได้เป็นพระเจ้าจักพรพรรดิอย่างถ้ายุคเรานี่ยไม่มีพระเจ้าจักพรพรรดิมันดีกว่าเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีพวกนั้นเป็นแล้วอยู่ชัวคราวเดี๋ยวคนอื่นเขาเข้ามาปลดไปแต่ถ้าเป็นได้โสดาปติมัคแล้วนะมันไม่เสื่อมละ วันข้างหน้ามต้องเจริญยิ่งขึ้นเจริญยิ่งขึ้นจญกระทั่งพ้นจากทุกข์ไปงันบางคนทำบุญทำทานนะอยากใหญ่อยากโต อ, อยากร่ำรวยอยากเล ย, อ, ย อ, อันนี้เรื่องเล็กน้อยรวยได้ก็จนได้มีรูปงามได้พอแก่ขึ้นมามันก็ไม่งามมันก็แปรปรวนจนได้มันไม่เหมือนธรรมะนะถ้าได้ธรรมะเข้ามาสู่ใจแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นดีขึ้นมันไม่คลอนแคลน จะมีความอิ่มเอิอิ่มใจมีความอบอุ่นะมีความรู้สึกที่อบอุ่นนะอบอุ่นว่าอะไรว่าเหมือนเรามีลูกเป็นลูกมีพ่อมีแม่เป็นความอบอุ่นในใจพวกเราบางทีเราเป็นปุถุชนนะบางทีในใจเราก็ว้าเหวเหมือนกันเราไม่รู้ทิศทางของชีวิตเราเราไม่มีความเชื่อมั่นได้เลยว่าชีวิตข้างหน้าจะดีกว่านี้หรื อ, รอจะแย่กว่านี้ เดีเราไม่มีความมั่นใจเลยได้สักอย่างเลยแต่พอได้โสดาปติมักแล้วนะเรารู้เลยเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เรารู้วิธีกลับบ้านแล้วที่ผ่านมาเป็นเด็กหลงทางเป็นลูกหลงทางพทัดพ่อพัดแม่พ่อแม่เป็นใครยังไม่รู้เลยตรงที่ได้โสดาบันรู้แล้วล่ะว่าพ่อแม่เราเป็นใครพี่น้องเราเป็นใครรู้แล้วว่าบ้านเราอยู่ที่ไหนรู้วิธีไปที่บ้านเนีใจมันจะอบอุ่นนะถึงยังไม่ถึงบ้านมันก็สบายใจ สบาใจฝ่าที่ร่อนเร่ไม่มีทิศทางในสังสรารนี่นะ่ากลัวที่สุดเลยเราไม่รู้ไม่รู้ที่มาไม่รู้ที่ไปนะไม่รู้วิธีที่จะอยู่กับปัจจุบันไม่รู้อะไรสักอย่างเลยไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ว่าปัจจุบันจะอยู่ยังไงเราก็อยู่ตามตามคนอื่เขาไปตอนเด็กๆ ก, ก็เรียนหนะังสือตามเขาไปโตขึ้นมาก็มีสามีมีพัญญาตามเขาไปมีลูกตามเขาไป หาเงินหาทองตามตา ม, ตามกันไปนแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างนะสุดท้ายมันก็ตายตามกันไปหมดมันไม่ได้อะไรสักอย่างที่จะติดเนืติ ด, ต, ด ต, ตัวตัวเองไปแต่ถ้าเราได้ธรรมะแล้วนะมันจะอบอุ่นไม่รู้จะใช้คําอย่างอื่นยังไงนะคำว่าอบอุ่นเนี้มันจะตรงเป็นความรู้สึกที่อบอุ่นเหมือนเรามีพ่อมีแม่จริงต้องฝึกนะหลวงพ่อสอนให้ละเอียดยิบแล้ว ไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกนลยหรือเขามี YouTube ให้ดูเขาดูไปซีดี u t u b e ที่หลวงพ่อเทศนะไม่ใช่ตูเพลงดูเลยนะเดี๋ยวดูหนังดูละครอะไรเงี้ยมันไม่ได้ปัญญาค่อยค่อยฝึกไปเรื่อยๆวันนี้ให้มันดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ให้มันดีกว่าวันนี้ค่อยค่อยสะสมไป ดีก็คือให้มันรู้ถูกให้มันเข้าใจถูกมากขึ้นมากขึ้นแล้วชีวิตมันจะเปลี่ยนชีวิตมันจะมีทิศทางที่แน่นอนไม่หวั่นไหวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกวันนี้เราไว้วางใจใครไม่ได้เลยที่จะช่วยเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้เราต้องศึกษาของเราเองนะศึกษาแล้วก็ลงมือปฏิบัติลดละกิเลสให้ได้จริง เห็นคุณค่าของพระศาสนาได้จริงๆทุกวันนี้เะาสำระส า, ายมากนะก็ตทั้งตามวัดวาอารามต่างๆพวกเจ้าความคิดพวกเจ้าความเห็นมันเยอะน้มันตีความธรรมะพิลึกพิลั่นไปมากมายนะแล้ฉันคิดอย่างนี้แหลยฉันเชื่ออย่างนี้แหละบางวัดนะตกเย็นเนี่ยกินผลไม้นะบอกพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามโอ้โหกินผลไม้กันลล้ว กินอน้อยก็กินพื้นเตี้ยลึกกินก๋วยเตี๋ยวกินมานานแล้วเลยเพื่อสุขภาพกินผลไม้กินก็เด็กกระเดกเลยนะบางแห่งกินกล้วยเมืองวัดกินกล้วยถ้าอยู่วัดนี้ก็โสมโสมเนี่ยตกเย็นนะมีน้ําปานะกี่ปีกี่ปีก็น้ําเนี่ยกินน้ําแดงกินอะย่างเงี้ยไม่มีอย่างอื่นแร้ว ลงกินผลไม้ได้นะทําไมพระต้องพูดเรื่องน้ําอัฐบาลรู้จากน้ําอัฐบาลไหมน้ําผลไม้ขันนคันแล้วต้องกรองนะกรองแล้วกรองอีกไม่ให้มีเยื่อไม่ให้มีกา ก, ลากเลยถ้ากินผลไม้ได้เนอะไม่เห็นจะต้องมากรองเลยใช่ไหม <c oughs> เนื่อมันขัดกันนะขัดกันมันพีิลึกพิลั่นไปหมดมันทําไปเพื่อสนองกิเลสหนักขึ้นหนักขึ้นบางที่ก็กินเม็ดทานตะวันกินทันยาพืช บอกเป็นยาแค่กระทั่งเรื่องกลิ่นนะมันยังเละไปหมดแล้วมันเละกันไปทั่วๆเลยนะการตีความธรรมะก็เพี้ยนพิลึกพิลั่นไปหมดงั้นเราประมาทไม่ได้เลยทฤษฎีหลาดตลาดมีเยอะทำบุญเยอะจ่ายเงินเยอะได้บุญเยอะอย่างเงี้ยพระเจ้าไม่เคยสอน สิ่งเพียนๆนี่เต็มบ้านเต็มเมือง น, นะในแวดวงาศาสนาัเราเรียนแล้วรู้วิธีเจริญสติต้องรักษาศีลห้าฝึกทุกวันทำในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านทำความสงบวันไหนสงบเจริญปัญญาสงบแล้วเจริญปัญญายกธาดแยกขันแยกรูปแยกนามดูรูปนามแสดงใรลักไป แล้วเสร็จแล้วจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรยังไม่มานั่งตีความเสียวเวลาเวมันจะรู้เลยว่าอันไหนมันสอดคล้องกับคําสอนพระพุทธเจ้าอันไหนไม่สอดคล้องรู้ด้วยตัวเองรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนง้นเราหวังพึ่งคนอื่นมารักษาพระาศาสนาเราไม่ได้แล้วละพระพุทธเจ้าอุตสาหประกาศมา2600หกร้อยกว่าปีแล้ว พอไหวไหมหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวรู้สึกตัวตัวอะไรไอ้ตัวเนี้ยมันหายใจใหายใจออกก็รู้สึกไอ้ตัวนี้มันหายใจออกหายใจเข้าไอ้ตัวเนี้ยหายใจเข้าใจเป็นคนดูนะค่อยฝึกไปอันนี้จะฝึกอย่างนี้มันจะต่อยอดขึ้นวิปัสสนา ง, ง่าย ถ้าเราไปรู้ที่ลมหายใจนะจ้องอยู่ที่ลมเนี่ยลมมันจะตื้นตื้นตื้นตื้นสุดท้ายมันหยุดหายใจกลายเป็นแสงอันนั้นเป็นกะสินลมกลาเป็นแสงเป็นปฏิภาคนิมิตได้ฌานได้อะไรไปได้อภิญญาอะไรพวกนั้นไปแต่ถ้าเราเข้าฌานไม่ได้เราเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเห็นร่างกายเคลื่อนไหวหยุดนิ่งใจเป็นคนดูนะ เนความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเกิดขึ้นในจิตใจใจเป็นคนดูเห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นเห็นโลภโกรธหลงดับไปใจเป็นคนดูค่อยๆฝึกไปตัวจิตตัวใจเองก็แปรปรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นผู้เพ่งเป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ได้นะไม่เป็นผู้รู้ตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่าประคองไว้ประคองไว้จิตที่ทรงความเป็นผู้รู้ตลอดเนี่ย ไม่ใช่กรรมอาวาจระจิตมนะัเป็นจิตในรูปปรนะฌานอรูปฌานจิตนั้นไปทรงอยู่งั้นเฉยอยู่งัแต่ในรูปฌานรูปฌานนะถ้าเดินในศั ส, สนาเป็นก็เป็นเจริญปัญญาด้วยการดูจิตต่อเนี่ยทำได้แต่วถ้าส่วนใหญ่ทําไม่เป็นอ่ะพอเข้าไปจ้องรู้สึกตัวอยู่เฉยไม่ยอมเดินปัญญาละฉะนั้นจิตที่ใช้เดินปัญญาในโลกของมนุษย์เนี่ยนะเป็นการมาวาจรจิต กมามวัารจันจิตคือจิตที่มันยังไหลไปในกรรมได้ไหลไปดูไหลไปฟังไหลไปคิดเลยเนี่ยไหลได้แต่ไหลไปแล้วเกิดสุขก็รู้เกิดทุกข์ก็รู้เกิดดีก็รู้เกิดชั่วก็รูนะ้ตัวรู้ตั้งอยู่ก็รู้ตัวรู้ไหลไปก็รู้หลงไปก็รู้ก็เห็นขันทั้งห้านี่แหละแปรปรวนทั้งหมดเลยไม่ใช่สงวนตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้นะส่วนใหญ่ที่ไปฝึกถ้าไปทางสมาธิมันก็ตัวรู้เที่ยงเห็นตัวอื่นไม่เที่ยงแต่ตัวรู้เที่ยง ถ้าอย่างนี้มันไม่ครบที่พุทธเจ้าไล่ให้ปัญจวัคคีฟังวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงวิญญาณคือจิตนะัวิญญาณไม่เที่ยงก็ฝึกจนกระทั่งวิญญาณเที่ยงอันนั้นเป็นการฝึกเข้าฌานแะล้ฝึกจิตพลิกไปอยู่ในรูปภูมิมารูปภูมนะิแลนะ้วงั้นเราใช้จิตธรรมดาที่เรามีนะี่จิตที่เหลวไหลวิ่งไปวิ่งมามันเหลวไหลนะมันไม่ค่อยตั้งหรอกเพราะมันเหลวแล้วมันก็ไหลไปทางตาหูจมูกนิ้นกาใจ ดูมันเหลวไหลนี่แหละรู้สึกไปรู้ทันไปสุดปัญญาก็เกิดมันไม่ใช่เราทำงานของมันได้เองฝึกไปเรื่อยๆนะจะได้ได้ของดีได้ธรรมะของจริงเข้ามาไว้ในใจเราเท็จเท่านี้ก็พอนะหลวงพ่ออนุโมทนานะทุกคนเรากลับบ้านเราก็พอนางเราทุกวันนะ ปฏิบัติเป็นพุทธบูชาคิดถึงพุทธเจ้าทุกวันทุกวันโลกนี้มันร้อนนะคิดถึงพระไว้ร่มเย็นเป็นสุขอาแปเชิญกลับบ้าน